พุทโธสวัสดีวันตรุษ จ, จีนค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะดิฉันสันสนินาพงศ์ในรายการนี้สรสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอ็มร้อยหกซินเจินนี้วดใช้เดี๋ยวไปถามพระอาจารย์เผบูลกับพี่ปุณโญกันนะคะว่าถ้าหากตามหลักศาสนาพุทธแล้วเราจะพูดอะไรที่ให้ได้ใกล้เคียงกับซินเจียยให้เหมาะสมกับโอกาสนี้กันได้บ้างกราบม้าสการท่านพผยบุญนะคะเชี่ยบาน ขอประทานโทษนะคะท่านมีเชื้อจีนด้วยไหมคะใช่ใชๆชใ่ปู่ย่าตายายของอาตมาเนี่ยมาจากเมืองจีนนะจริงๆริงอวตา<ม>เป็น ค, คนจีนเลยด้วยซ้ำรอเรเเพราะฉะนั้นท่าอาจารย์ก็ย่อมคุ้นเคยกับประเพณีนี้มากกว่าที่ฉันแน่นอนใช่ตัวจีนง เ, เขาก็จะมีการบูชาเทวดาบูชาเป็นพระบรรุษกันค่ะทีนี้ในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นะคะก็อาจจะดิฉันเข้าใจว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนสำหรับประเพณีตรุกจีนแต่ว่ามีอะไรที่จะมาใช้ประโยชน์อันเนื่องกันได้ไหมคะออจริงจริงการการบูชาหรือว่าพิธีกรรมการบูชายันพวกเนี้ย เ, เป็นเป็นสมาธิฐิ่อยู่แล้วในข้อหนึ่งในเาเรียกมงคล3าประการก็พูดถึงบูชาบุคคลที่คนบูชาก็เป็นมงกลอย่างยิง่ง หรือว่าในสมาธิฏิก็พูดถึงยันที่ทําแล้วยันคือการบูชาใครก็ไม่รู้เนี่ยนะที่เราไม่เห็นตัวก็ถือว่าได้ผลก็มีนะยันที่ทําแล้วได้ผลนี่เป็นสมาธิฏฐิเพราะฉะนั้นถามว่ารูปแบบการบูชาเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็คุณบูชาใครใช่ไหม <Okay. S 1> ในวันตุษจิงที่ก็บูชาบูชากันก็จุดทูปจุดเทียนเผากระดาษบ้างฆ่าหมูเ ป, เป็ดไก่คุณซื้อมาคุณไส้อะไร อันนี้เราต้องทําความเข้าใจซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่เขาก็จะไหว้เจ้าไหว้เทพเจ้าไหว้เทวดาซึ่งเทวดาที่เขาไหว้หนึ่งในก็มีหลายหลายองค์นะมีหลายองค์หนึ่งในนั้นที่เขาจะพูดกันก็พูดถึงเกเซนท่องเต้เงี้ยก็คือเท้าสกัดเทวราชในเกเซนท่องเต้กองเดีวแะใช่องค์เดียวกันองเดียวกันนะเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงก็องค์เดียวกันนะคือเท้าสกัดเทวราชทีนี้เท้าสกะเทวราชมีคุณธรรมอะไร ทนะ้าสกัเทวราชปัจจุบันนี้องค์ปัจจุบันเนี่ย เ, เป็นโสดาบันหรือว่าคุณธรรมอย่างอื่นในะของเทวดาที่เขามีนะ่ที่เราควรจะต้องบูชาคุณธรรมนั้นๆเช่นว่าคนจะมาเป็นเทวดาได้ต้องมีการให้ทานนะต้องมีศีลต้องมีศรัทธามีจาคมีปัญญา4ี่อย่างนีนะ้เป็นคุณธรรมที่จะทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นเทวดาไดา้ทีนี้เราบูชาคุณธรรมตรงนี้นี่คือประเด็นรูปแบบการบูชา นะที่เขาทํากันที่เราเห็นคือ ม, มันจะต้องเห็นได้แหละรูปแบบการบูชาก็บูชาด้วยอามิตดนะเช่นหมูเหดเป็นไะก่เป็นการบูชาด้วยสิ่งของนะการบูชาด้วยอาหารการกินต่างๆนะทีนี้การบูชาที่ยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปนะคือเราบูชาด้วยการปฏิบัติแต่เนพะราะรด์ชาวจีนเขาก็จะมีตำหนบตำเนียมประเพณีการปฏิบัตนะิเช่นในวันปีใหม่นี้เขาก็จะพูดดีๆกันนะจะไม่ดา่าจะไม่ว่ากันนะจะมีการที่มอบของ ข, องขวัญให้แก่กันและกันคืออ่งเปาอย่างนี้เป็นต้น อ, นะอันนี้ก็เป็นประเพณีที่สอดคล้องกับคํำสอ่งบูชาตอนนี้ถ้าคุณเป็นเชื้อสายจีนหรือว่ามีประเพณีต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจเหตุผลนะว่าทําไปทําไมแล้วก็บรงลึกเป็นอย่างไรอย่างนี้นี่คือเรื่องของการบูชาลแล้วก็การที่มอบสิ่งของกันกันในลักษณะของวันตรุษจีนตรงนี้ค่ะก็ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะกำหนดให้เป็นวันที่จะทําสิ่งดีๆแก่กันมีรูปแบบตรงหนึ่งที่ <sk r isa> อันมาจากจะพูดถึงความแตกต่างนิดหนึ่งคือการบูชาบรรพบุรุษนะซึ่งการบูชาบรรพบุรุษของชาวจีนเนี่ยก็คือจะเอาอาหารไปเส้นไหว่นะีอาหารเนี่ยไปนําเสนอให้นะหรือแม้แต่บูชาเทวดาก็คือจะเอาอาหารเนี่ยไปนําเสนอให้แต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือว่าเทวดาเขาจะไม่ได้กินอาหารประเภทนี้นะหรือว่าบรรพบุรุษของเราถ้าเขาไม่ได้เป็นเปรตประเภทป ร, ทป ร, ทปรทัชตตูปชีบีเปรต เ, เนี่ยเขาก็จะไม่ได้กินอาหารประเภทนั้น นีคือถ้าเขาเป็นสัตว์นรกก็จะมีอาหารของเขาถ้าเป็นเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาอัตมาไม่แน่ใจเคยคุยกับคุณโยมติวเรื่องนี้ไหมคือมันมีหมาตัวหนึ่งตอนนี้มันตายไปแล้วที่วัดป่าดอนไห่โศกเนี่ยนะมันก็คงจะรักอัตมามากอ่ะมันก็คาบกระดูไก่ที่มีเนื้อติดนิดนึงหนามาให้อัตมานะเออมันมาให้มันไม่รู้ยังไงมันคิดยังไงมันเอามาให้แต่เมันเห็นเรามันก็คาบมาให้คาบมาแล้วก็ปล่อยให้เราก็คงจะไม่กินอาหารของมันอ่ะ กรดูกไก่ที่มีเนื้อติดนิดนึงแต่สําหรับสุนัขนี่มันมีเป็นอาหารที่ดีมากนะคุณโยมติวเอามาให้เลยเหรอคะใช่ใช่ไม่ได้ทําตกนะคะไม่ได้ทําตกเอามาให้แล้วก็ <c oughs> ทําให้เราคิดว่าเออมันบูชาเราแฮ่มันบูชาเร า, ม, า, เรามันมีจิตใจที่ดีแต่เพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่เราบูชาทเทวดาหรือบูชาใครที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยเราบูชาเขาแต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ใช้ของสิ่งนั้นแต่การบูชาตรงนั้นก็ถือว่าดีแต่ถือว่าดีละอันนี้เป็นรูปแบบของ รูปแบบของอาบิสบูชาคือท่านกําลังจะบอกยังไงคะว่าอถ้าเราบูชาพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารอย่างที่เราคิดว่าดีที่สุดของเราอือและตั้งใจว่าจะบูชาเทวดาเนี่ยเทวดาจะกินอาหารประเภทนี้ไม่ได้ไม่กินไม่กินคือคือไม่ใช่อาหารของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเออใช่ใชคือไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ไม่กินเพราะว่า คือเราจะไปกินกระดูกไก่ที่มีเนะนื้อติดนิดนึงมันเป็นอาหาร oh. สุนัขอะ่ะเราไม่กินเขาเ ข, ข, ข้าใจเนาะเหมือนกันเขาก็จะไม่กินอาหารของเราทเทวดาก็มีอาหารของทเทวดาสัตวนรกก็มีอาหารของสัตวนรกนะยกเว้นเปรตประเภทเดียวที่ชื่อว่าปรัตูประชีวีเปรตนะถ้าเราในกรณีเราบูชาบรรพบรุษนะเพราะฉะนั้นถามว่าไอาการบูชาตรงนั้นเนี่ยมันจะมันถามว่าได้ผลไหมนะก็ควรจะทําเพราะว่าถ้าไม่ได้ตกกับญาติเหล่านี้ก็จะไปตกกับญาติเหล่าอื่นนะ ถ้าไม่มีญาติเหล่าอื่นก็เป็นญาติเหล่าอื่นๆอีกที่อยู่ในประเภทนี้แต่ถึงแม้ไม่มีใครมารับก็ตามการบูชานั้นก็ดีเพราะเราได้นําออกจิตใจเราก็สูงขึ้นก็ยังดีประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงรูปแบบที่ถูกต้องของการทําบุญอุทิศบรรพบุรุษการทำบุญอุทิศบรรพบุรุษก็คือว่าไปหาเนื้อนาบุญไปหาเนื้อนาบุญแล้วก็เอาปจอัจจัยสี่อาจจะเป็นอาหารยารักษาโรคเรืออะรก็แล้วแต่ถวายเนื้อนาบุญคนนี้ เสรจแล้วก็อุทิศบุญนะให้กับบรรพบุรุษของเราหรือว่าจริงๆเราทําในนามของบรรพบุรุษของเราไปเลยอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องใ น, นการที่จะบูชาบรรพบุรุษนะคดังนั้นถ้าหากว่าจะให้ท่านทั้งหลายนอกเหนือจากทําพิธีตามประเพณีดั้งเดิมรูปแบบเดิมแล้วให้ได้ผลยิ่งขึ้นตรงเป้ากับผู้ที่เราอยากจะอุทิศบุญให้ควรจะทําอย่างไรกัคะก็คือหาเนื้นาบุญในที่นี้ก็หมายถึง ตามคําสอนพระเจ้านะคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันดีกว่าเนื้อนาบุญทั้งหลายนะก็มีการใส่บาตรพระเป็นต้นไปทําบุญเลี้ยงพระที่วัดในนามของบรรพบุรุษเราหรือว่าเราไปทําเองแล้วก็อุทิศให้บรรพบุรุษอย่างนี้จะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องค่ะดิฉันเองเนี่ยก็อยู่ในสังคมเจอผู้คนเยอะนะคะในขณะที่เราก็เข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็เชื่อว่า พระพุธองเนี่ยตรัสไม่ให้เราได้เชื่อในสิ่งที่เป็นปฏิหารเป็นอิทธิฤทธิ์ในแบบอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่พระพุทธองได้ตรัสสอนคือเป็นอนุสาสนีปฏิหารใช่ไหมคะใช่บานทีนี้เวลาเราไปเจอคนที่อาจจะแนะนําเราให้ไปเข้าถึงการทรงเจ้าบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ไหมเราจะปฏิเสธ เราก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าก็มีการนัดแน่กันล่วงหน้าจะไปบอกไม่ว่างนหมนัดล่วงหน้าขนาดนั้นก็อยากจะถามท่านว่าในเรื่องพวกนี้ในเมื่อเราอยู่ในสังคมมันต้องเจอแน่เราจะทำตัวอย่างไรจึงจะสมควรสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้นะคือหมายว่าแนะนำเอาไว้นก็คือเรื่องของว่าให้มีที่พึ่งที่ถูกต้องที่พึ่งที่ถูกต้องเนี่ยหมายกว่า กุลพึ่งสิ่งนี้เพื่อที่จะหลุดออกจากสังสารวัตรเพื่อที่จะคลายราคะโทสะโมหะให้ได้นี่คือประเด็นที่สาคัญนะเพราะฉะนั<ฆ>้น so, ถ้าเราจะไปหาสิ่งอื่นๆจะไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยคือจะไม่ได้ใช้เป็นที่พึ่งในการที่จะไปถึงนิพพานนะเราไปหาได้ไม่มีปัญหาเลยแตนะคือเราไม่ได้พึ่งสิ่งนั้นในการที่จะหลุดพ้นเข้าถึงมรรคนิพพานแต่ก็ไม่มีปัญหาไปหาได้นะ<ฆ>แต่ที่พึ่งสําคัญที่เรามีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลัก เป็นที่พึ่งอันเกษมที่เราจะพึ่งเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากสารสารวัตรให้เข้าถึงนิพพานให้มีหมดราคะโทสะโมหะอันนี้ถึงจะถูกต้องนะก็หมายความว่าหากจะหวังให้เป็นที่พึ่งขอให้พึ่งให้ถูกคือ started, พึ hanging, พ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าความหลากหลาย ในโลกใบนี้มีทุกเรื่องทุกด้านความหลากหลายทางด้านความเชื่อท้งด้านการเมืองความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วบางทีนะคะต่างกันสุดขั้วเลยแต่ในขณะที่เราเห็นว่าอันนี้ดีคนต่างวัฒนธรรมเขาอาจจะเห็นว่าแบบนี้แย่สุดๆแต่ในขณะที่สิ่งเราเห็นว่าดีของเรา คนต่างวัฒนธรรมเขาก็อาจจะเห็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็เห็นตรงข้ามกันว่าเห็นของที่ของเราที่ว่า ด, ดีแต่เป็นของเขาเราว่าแย่สุดๆอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็นอกจากว่าความแตกต่างหลากหลายมันมีนะมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นอาธรรมแปเปื้อนเข้ามาด้วยเช่นของหลอกลวงของทาเหมือนนะของที่โกหกอันนี้ก็มีเหมือนปนก็ามาด้วยต้องระวังค่ะอันที่ฉันสนใจเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะ คือพอดีไปอ่านหนังสือเจอฝรั่งแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่เขาก็บอกอยากได้บ้านสักหลังหาไปหามาเกิด ป, ปิ๊งบ้านหลังเล็กๆอยู่บนล้อแล้วเขาก็ออกแบบนะคะให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายพอสมควรในพื้นที่ที่แสนจำกัดนั้นเรื่องที่อยู่อาศัยนี่พระพุทธองค์ได้ตรัสพูดไว้ยอย่างไรบ้างคะ มีบทที่ให้พิจารณานะพระพระสงฆ์เนี่ยก่อนจะเข้าสู่ที่สู่อาศัยอาจจะเป็นคนไม้จะเป็นอาคารจะเป็นรถยนต์ก็ตามเนี่ยให้ทําการพิจารณาก่อนนะว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อโมเมานะแต่เป็นสิ่งที่จะทําให้แค่ปกปิดปกป้องความร้อนความหนาวปกป้องเรือบยุงลมแดดให้มันพอคุ้มภัยในการที่จะอยู่ปฏิบัติปฏิบัติธรรม ให้ถึงที่สุดแต่งทุกได้ให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้หมายถึงที่อยู่ของสงฆ์นะคะใช่ใช่ก็คือคือทุกคนควรจะพิจารณาอย่างนี้ด้วยเราจะได้ไม่กําหนัดมัวเมาลุ่มหลงในที่อยู่ของเราค่ ะ, ะซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยท่านคงจะกล่าบเรียนทางท่านเนอลกาต่อไปเพราะว่าถ้าสมทนาเนี่ยคงจะต้องยาวคือก็มีมุมที่เห็นว่าพระพทองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธการที่คนจะเป็นเศรษฐีถูกไหมคะ ทมาหากินได้แล้วเป็นเศรษฐีเนี่ยที่เศรษฐีเนี่ยอยู่บ้านเล็กๆมันนะมันไม่ใช่เศรษฐีค่ะท่า น, นคะก็ต้องเอาไว้คุยกันต่อไปแต่ว่าอยากจะปิดประเด็นของวันนี้ด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับเทศกาลซึ่งคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอยู่มากเหลือเกินเนี่ยกำลังมีความสุขให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีความสุขสมกับเทศกาลจากรายการของเราค่ะพูดถึงเทศกาลตรงนี้เราก็ส่งความปรารถนาดีกันได้โ ด, ย, ดยการพูดดีคิดดีทําดี นะวาจาเราพูดสิ่งที่เป็นสมาวาจาออกไปนะไม่ใช่แค่พูดวาจาอย่างเดียวจิตใจเรามีความรักความเมตตานะไปให้ปู่ย่าตายายอากงอาม่าเจกอื้อมาแปะอีนะ้ลูกหลานเลนหลนแล้วก็ส่งให้ไปนะมีของกํำ น, นันมีของอะไรติดไม้ติดมือไปเราก็เป็นการส่งความปรารถนาดีทางกายวาจาใจ น, นี้ต่อมาว่าดีนะแน่เราก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่เราทำํำนะทุกๆวันนะวันนี้เป็นวันเหมือนกับเครื่องเตือนขึ้นระลึกถึง แต่้ทุกวันเราส่งความรักความบัตนาดีทางกายวาจาใจกันให้ทุกวันตลอดปีนี้แต่ปีนี้จะเป็นปีที่เฮงปีที่ดีเป็นปีที่มงคลแน่นอนใช่ะก็มีจิตใจทีะะ่ดีมีวาจาที่ดีกายวาจาใจใทุกอย่างดีต่อกันดีทุกวันไม่ต้องดีแค่ช่วงเทศกาลอืมใช่ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากนะคะตัวเราเองก็มีความสุขค่ะ สำหรับสัปดาห์แห่งเทศกาลตรุษจีนนี้เลี้ยเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามระเบียบของประเพณีที่ได้วางไว้แล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานกันอย่างมีความสุขนะคะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นกราบท้ําสการขอบพระคุณท่านพิบูณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะเดชพรค่ะท่านฟังที่ครบรอค่ารายการของเรานะคะจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะในวันนี้ ซินเจียยูอยีซินี้ว่าใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะและมาพบกันในวันจันทร์หน้าพุทธวสวสดีคะ่ะ